ที่บ้านห้วยพฤษภาคมปี 2453 ตรงกับวันพฤหัสบดีในกาแล้ว เมื่อปีนั้นหลวงปู่มั่นได้มาจำวัด 6 ปีไปกราบหลวงปู่ 2 พ่อแม่ให้กราบเด็กชาย จึงกล่าวได้ว่าเป็นตระกูล 70 รูปได้มา 11 ปี ได้ติดตามพ่อแม่ไปอ่อนถวายพระสงฆ์แห่งกองทัพธรรมทั้งหมดเท่าที่ตรวจดูสอบถามได้ก็มีหลวงปู่สิงขัณฑยาขโมขันติโกหลวงปู่ศิล์ม หลงปู่มหาปิ่นปัญญาพโลมหาปิ่นปัญญาภโลหลวงปู่หลุยหลงปู่ซามาอาจุโตหลวงปู่ขาวอนารโยหลวงปู่กูธรรมทิโนหลวงปู่ดีฉันโนหลวงปู่สามาอจุตโตหลวงปู่ชอบ การบําเพ็ญสมณธรรมของกองทัพธรรมที่ว่าเนี่ยใช้ภูผากรูดและหลวงปู่หาสถานที่วิเวก ซึ่งมีภูต่างๆบริเวณนั้นมากมายเช่นภูผาแดงภูก้าวภูจ้อก้อ ที่มักจะมีอาการสั่นเท้าทำ พักปักกลดอยู่ที่ป่าช้าวันนั้น 2 ศพสมัยนั้นต้องใช้สิ่งของที่อยู่ในป่าเนี่ยต้มที่ แล้วก็มีศิษย์หลวงปู่มั่น ขณะที่ไปเผยแผ่ธรรมะจังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามเป็นต้นขบวนกอง ได้รื้อศาลต่างๆที่นับถือผีอยู่เดิมถ้ามีข่าวว่ามี เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้สมณะจําเป็นโรคเหน็บชาถึงขั้นวิกฤตเพราะได้บําเพ็ญในวันเป 5 วัน 7 วัน แล้วก็ท่านก็นึกในใจว่าชีวิตเราผีเพื่อใช้ประโยชน์ตามเชื่อถือจะนับถือผีมากกว่านับ คราวหนึ่งหลวงปู่อ่อนเป็นหัวหน้าพร้อมกลัวท่าน หาประสบการณ์ตลอดจนวิจัยธรรมที่ เคยแสดงให้ปรากฏมาแล้วๆที่เนินที่มีเค 16 17 ปีกำลังแข็งแรงล่ําสัน ทำถวายหลวงปู่อ่อนแล้วก็หลวงปู่กงมาเหตุสําคัญอยู่ที่กอไผ่ในมี แสดงว่าท่านก็คงรู้ว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ก็ได้หรือไม่กล้าบอก ตะปูเอ้ยเย็นวันนั้นเองสามณีนจามได้ยินเสียงเหมือน เพราะเหตุที่พระเนนมาอยู่ที่เนี่ยทําให้ผีหนุ่มๆ ัมเนจําก็ทําหน้าที่เป้าอัถาบริขารอยู่องค์เดียวจนมืดข่ําก็ยังไม่มีใครครับก็ได้แต่เป้ารอหลังจากที่สงน้ําเสร็จก็นั่งผ่ามาขามป้อมจิ้เครือฉันไปอ่ารอในความมืดนั้นแหละช่วงระหว่างโ Proพ พบข่ํานั้นสมเนนจํายังไม่ได้เข้ากรดเอาเสื่อปูนั่งเวลาก็เริ่มมืดสนิทได้ยินเสียงผู้หญิงร้องหให้ข่ํา ได้ยินเสียงใบไม้กรอบแกรบกรอบแกรบต่อมาก็ได้ยินเสียงเหมือนสัตว์เน้น เนนเรียกมาแต่ไกลมาแต่ไกลอ่าแต่หลวงปู่จามไม่ตอบจนกระทั่งใกล้ถึงก็ตอบครับผม เพื่อให้เกิดปัญญาในธรรมสูงๆขึ้นไปใน แต่ว่าไตรสรัณณคมนั้นมีแต่คุณพระพุทธเจ้าสอนๆส่วนใหญ่เด็กเรียก ดังไปสักพักนึงก็หยุดแล้วก็ดังขึ้นมาอีกเป็นระยะระยะ หลวงจามบอกว่าถามบอกว่าหลวงแล้วเราจะไปกลัวเขา หลวงปู่จาม 19 พฤษภาคมปี 2482 29 ปีแล้วแล้วโดยมีพระเทพ เป็นอันว่าแม่จีมาแง้ได้วางเส้น เสือแถบนี้เคยกินวัวกินคนได้คนมาแล้วเมื่อชาวลูกควายลูกวัวแล้วก็ มีคณะที่แบกหามสัมภาระไปขายโดยเฉพาะๆรสชาติเนื้อคน ถ้าออกมานอกรถแม้แต่ระหว่างการเดินทางก็ต้องระมัดระวัง แต่ชาวบ้านเข้าใจเหตุการณ์ดีก็ 2 ชั้นแล้วก็ทำไม้ค้ำยันให้หลวงปู่จามได้ใจชื้น ไกลแล้วก็เสียงร้องก็ใกล้เข้า เสือเดินวนไปเวียนมาก็ได้แต่นะโมเฉย ว่าจะออกทุรดงไปหาที่วิเวกที่ๆเป็นระยะเวลายาวนานแม่จีมาแง้ก็ เพื่อไปหาพระอาจารย์คูนอติมุตโตที่มหาสารคามเมื่อออกพรรษาญาติโยมได้รับหลวงพ่อกลับไปห้วยทราย ขอให้เพื่อนกลางกลอดให้เพื่อพักอยู่ก่อนโดยขอให้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำเลยเช้าวันนึงพระสงฆ์ได้เดินทาง เด็กหญิงคนนั้นก็กุลีกุจจ์จัดอาหารหวานคาวตลอดจนการประเคน ทุกคนรู้สึกประหลาดใจสะดุดใจว่าทำไมค sais เด็กหญิงตัว高 examinedภาบัตรide기가พ pharmaceuticalPal harder รู้ข้อวัดปฤิบัติของพระกำธานดีขนาดนี้โล่งปูและตามิตค์ก็รู้สึกแปลกใจทั้งทั้งที่เป็นผู้ใจผ่านโลกมาก็มากท่านได้ nําคำพูดαιนมาสนทนา พิจารณา ถ้าถ้าไม่ใช่มนุษย์ก็เป็นเทวดามนุษย์นี่ก็เป็นโสดาบันมาเกิดใช้ชาติถ้าไม่ใช่มนุษย์ก็เป็นเทวดาหลวงปู่จําทุดงองค์เดียวจากเชียงรายไปอำเภอ ค่ำลงก็ปักกลดพักภาวนาบางได้ฉันอาหารบางวันก็ไม่ได้ฉันเพราะไม่มีหมู่บ้านจะไปบิณฑบาตได้ทําให้ร่างกายอ่อนเพลียแต่จิตใจไม่ท้อถอยคงมุ่งมั่นบากบั่นตามที่ แต่หลวงปู่จามไม่พรุ่งนี้ไม่ต้องใส่บาทนะถวายเพราะว่ามันเลยเพลไป เดิมแต่น้ําเปล่าแล้วก็เตรียมบริขารเดินทางต่อๆหมู่บ้านนั้นพอรุ่งเช้า จนค่ําก็ปักหลอดบนดอยได้ๆคน หลานออกมาดูแต่ยายไปหลบอยู่หลังบ้านท่านก็นิ่งอยู่นานหลานก็โผล่หน้าดูแล้วก็บอกยายๆตุเจ้ามากุมบาทยายก็ ขณะกําลังเดินกลับใกล้จะพ้นหมู่บ้านนั้นมีหมา โดยไม่ได้ฉันอะไรเลยเนื่องจากไม่ได้ 3 วันแล้วประกอบกับการเดินทาง อ่าเค้าก็ถามว่าเอ่อหลวงพ่อคงจะเหนื่อยเออเหนื่อยมากไม่ได้ฉันอาหารมา 3 วันแล้วไม่ เป็นยังสบายดียังครับบ้างครับดียังครับลองเออดีๆสบายดีท่านจะไปไหนต่อครับจะเดี๋ยวผมจะสบายกรดสะพายบ่าดให้นะ แต่เห็นว่าทิ้งระยะห่างมากชายหนุ่มก็จะยืนรอแม้จะเร่งฝีเท้าก็ตามไม่ทันชายหนุ่มจนถึงทางแยกชายหนุ่มก็บอกว่าทางนี้ไปบ้านป่าเมี้ยงผมจะไปอีกทางนึงแยกกันตรงนี้ ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นหายเข้าไปในต้นหูที่เคยอื้อไม่ได้ยินก็ดีขึ้นตาม ตอนที่ท่านทุดงไปอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่กับพระอาจารย์หนูสุจิตโตแล้วมีตาผ้าขาวไปด้วยคนหนึ่งไปปักโลดบนหลังดอยที่มีลักษณะเหมือนหลังปลาช่อนด้านหนึ่งของภูเขาเป็นสันสูงเป็นหลังปลามีซากเจดีย์หักพังอยู่องค์หนึ่งอีกด้านหนึ่งก็เป็นผาชันหลวงปู่จามก็ปักโลดมุม ชาวบ้านได้ทัดทานว่าอย่าปักโลดแถวนั้นเลยจะเกิดเพศ พอเริ่มครบค่ําต่างก็เข้าอยู่ในกรดขณะ มันก็กระโจนหนีได้ยินเสียงร้องๆกริ๊กๆเป็นเสียงคล้ายๆผู้หญิงสมัย 3 หลวงปู่จามระลึกๆหลวงปู่จาม ก็บังเกิดความสว่างสวยมองเห็นได้ทั่ว อีกมือถือแก้วมณีบนเชิงรองลูกแก้วมณีเป่งแสง สมณะไม่สำรวมท่านก็เลยขู่ไปทางกระแสจิตว่าเดี๋ยวจะใช้เตโชกสิณได้ตกลงกันว่าต่างคนต่างอยู่ไม่รบกวนกันแต่ว่าสัญญานี้ไม่ หลวงปู่จามถามพระอาจารย์หนูอ่ะอาจารย์หนูกับฟันดาบเมื่อคืนเนี้ยพระอาจารย์หนูก็บอกว่าฟัน หลวงปู่จามมหาปุญโญเดินทุรดงไปในจังหวัดเชียงใหม่จำนัสสาอยู่ที่วัดโรงธรรมท่านก็เลยอยู่ที่นี่เป็นหลักต่างๆต่อมาก็ หลวงปู่สิมก็เลยชวนหลวงปู่จามออกไปอยู่ที่จอมทองสารยะหนึ่งหลวงปู่จามปีจน 2512 ตอนประมาณ 60 แล้วญาติโยมที่ห้วยสายท่านจากไปนานแล้วแล้วก็อายุ แม่ชีแก้วเสียงล้ำก็ร่วมใจกับขณะแม่ชีจัดสร้างกุษิไวรอรับการกลับมาที่วัดป่าหวยซายแล้วก็ส่งขณะยาจโยมไปนิมนต์ท่านกลับมาอยู่ตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาชีวิตในบ้านปลายของหลวงปูจำปี 2514 หลวงปูจำมาอยู่ได้ 62 ปีได้รับจากตั้งเป็นเจ้าวาดวัดป่าวิเวควัฒนารำท่านพ เกรงจะเป็นสามารถกันปลวกได้ต่อบรรพจิตรและ 2530 ได้ประกอบ และพระทานสาวกตลอดจนพระๆที่ญาติโยมและคณะศรัทธาอัญเชิญ บาปและนิพานก็มีจริงและบุญปี 2530 ขณะหลวงปู่ปลูกต้นสัก 83 ปีต่อมาถึง หลวง 83 ปีพอดีหลวงปู่ก็ล้มป่วยหนักเป็นท่านก็ยินดีแล้วก็อดทน พระคณาจารย์สายกรรมฐานแห่งวัดป่าสถานีวิทยุท้องถิ่นวัฒนารามตำบล ติดต่อร่วมบุญกับอาจรรย์ยอดหมายเลขทรศัพท์ 084-643-8770 ครับ 084 ครับ